กายนี้พระพุทธภาสิตปัสะจิตตะตังพิมพังอรุกายยังสมุตรสิตังอาตุรังพหุสังกับปังยะสะนาถิทุวังทีติแปลกว่าว่าความตั้งอยู่ย่างยืนของร่างกายใดไม่มีขอท่านจงดูกายนั้นซึ่งกรรมทำให้วิจิตแล้วมีแผลอยู่เป็นประจำมีกระดูกเป็นโครงหน้าเบื่อนาย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 ส่วนที่เหลวจัดเป็นธาตุน้ําเช่นน้ําดีน้นําหนองน้ําเหลืองน้ําเลือดเหลือเป็นต้นส่วนที่พัดไปมาและทําให้อวัยวะต่างๆเคลื่อนไหวได้คู้เข้าเหยียดออกได้จัดเป็นธาตุลมเช่นลมที่พัดทั่วไปในกายลมในกระเพาะอาหารลมในลใําไส้ลมหายใจเป็นต้นส่วนที่ทําความร้อนจัดเป็นธาตุไฟเช่นไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟที่ทําความอบอุ่นในร่างกายเป็นต้น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 ยิ่งร้อนมากไข้ก็สูงมากถ้าความเย็นในกายมีมากเกินไปเลือยก็จะแข็งไม่ไหลเวียนตายได้เหมือนกันความอบอุ่นในกายนี้ได้อาหารเป็นเชื้อเพลิงเมื่อขาดอาหารไฟในกายก็ดับตายเหมือนกันสังเกตได้ว่าเมื่อกินอาหารมากความร้อนในกายจะสูงขึ้นน่าจะเป็นเพราะไฟในกายได้โหอมแรงขึ้นเพื่อเผาเชื้อคืออาหารให้ย่อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารด้วยเหมือนกันอาหารบางอย่างให้ความร้อนมาก เช่นอาหารประเภทแปลกน้ำตาลน้ำมันบางอย่างให้ความร้อนน้อยเช่นผักสดผลไม้สดเป็นอาทิจะพรนันาเรื่องร่างกายกับอาหารก็มีสิ้นสุดลงโดยง่ายเพราะมีเรื่องจะกล่าวมากจึงขอข้ามไปนอกจากอาหารคือข้าวน้ำเป็นต้นแล้วร่างกายนี้ยังต้องการอากาศที่ดีแสงสว่างเครื่องนุ่งห่มเพื่อกําจัดความหนาวร้อนเป็นอาทิและยังต้องการออกกําลังกายพอประมาณจึงจะเป็น ไปได้ไปดีกายนี้เป็นของที่ต้องบุรณะซ่อมแซมอยู่เสมอเพราะมันสุดโทมสึกกรอไปทุกวันทุกวันแต่ไม่โทมให้เห็นทันทีค่อยเป็นค่อยไปกว่าจะถึงชราอาหารและการพักผ่อนเป็นสิ่งช่วยบุรณะส่วนที่สึกกรอไปให้คงเดิมแต่ก็เป็นไปได้ชั่วคราวนานข้าวก็โทมจนซ่อมไม่ไหวเรียกว่าชราในที่สุดก็แตกกลับคือตายจะพนันาแต่ละข้อไปโดยลําดับโดยสังเขต ข้อว่ากายนี้อันกรรมทําให้บิจิตแล้วนั้นมีอธิบายว่าตามหลักพระพุทธศาสนาถือว่ากรรมเป็นผู้ตกแต่งสัตว์ทั้งหลายให้หยาบหรือประณีดดังพระพุทธภาษิตว่ากรรมมังสเตวิพชติญาดีดังหีนับปณีตตายะกรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้หยาบหรือประณีดความหยาบความประนีตนี้รวมเอารูปร่างลักษณะอวิวาทุกส่วนอัตยาสายใจคอทั้งสิ้น เราจะเห็นว่าอาวัยวะร่างกายของแต่ละคนมีความหยาบความประณีตไม่เหมือนกันความอ่อนแอแข็งแรงก็ไม่เหมือนกันผิวพรรณไม่เหมือนกันบางคนเครี้ยงเกลาวางคนหยาบ ก, กระด้างรูปร่างหน้าตาก็ผิดแผลกันไปคนในโลกตั้งสองาพันล้านคนไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวที่กล่าวนี้ในส่วนอยาบที่มองเห็นได้ด้วยตาธรรมดาอาวัยวะที่ละเอียดในร่างกายก็แตกต่างกันไปมากกว่าอาวัยวะส่วนหยาบเสียอีก การทำงานของร่างกายหรือสรีระย น, น์นี้ยิ่งวิกิตพิสดารยิ่งนักท่านว่าวิกฤตยิ่งกว่าเครื่องจกักรใดๆทำไปตั้งแปรสิบเก้าสิบปีไม่ได้หยุดเลยเป็นอัตโนมัติผู้เรียนแพทย์ทางกา ย, ยวิภาคศาสตร์ย่อมเห็นแจ้งใดดีในความอัศจรรย์แห่งการทำงานของร่างกายเป็นต้นว่าเลือดและปอดไตและตับตลอดถึงเส้นเอ็นต่างๆสรีระยนคือกายนี้ ท่านว่าสำเร็จมรรคกรรมคือคนยังมีกรรมอยู่ก็ยังมีเกิดเมื่อจะเกิดกรรมย่อมแต่งทั้งรู ป, ประนามตามในยะปฏิจจสมุปบาทว่าสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปจงดูกายนี้อันกรรมทาให้วิจิตแล้วข้อว่ามีแผลอยู่ประจำนั้นมีอธิบายว่าแผลประจำของกายนี้อย่างน้อยก็มีเก้าแผลอันท่านเรียกว่าทวารทั้งเก้าคือ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 ยังมีบาดแผลในที่อื่นๆเป็นครั้งคราวเช่นแผลมีดบาดให้เลือดออกกลิ่นเลือดนั้นก็ข่าวหน้าเสียอีเสียนข้อว่ามีกระดูกเป็นโครงนั้นมีอธิบายว่าร่างกายนี้มีเลือดเนื้อหนังเอน็นเป็นต้นเกาะติดกันอยู่ไม่กระจัดกระจายก็เพราะมีกระดูกเป็นโครงร่างให้ยึดเกาะปราศจากกระดูกเสแล้วหนังเอน็นและเนื้อไม่มีที่อาศัย ไม่สามารถทรงตัวเป็นรูปร่างได้ย่อมกองรวมกันอยู่เหมือนเสื้อหรือกางเกงที่ไม่มีคนสวมวางกองอยู่ฉะนั้นบางแห่งท่านจึงเรียกว่านะครกระดูกซึ่งมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทากาน่นี้เปรียบเหมือนเมืองกระดูกที่มีเลือดและเนื้อเป็นเครื่องฉาบทาข้อว่าอาดูลหน้าเบื่อหน่ายนั้นอธิบายว่ากาน่นี้นอกจากมีปากแผลใหญ่ทั้งเก้าอัน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 ต้องเหน็ดเหนื่อยหนักหน่วงอยู่นั้นก็เพื่อกินเพื่ออยู่ตนเองคนเดียวก็ไม่สุขไรนักยังต้องเลี้ยงลูกอีกหลายคนล้วนเป็นกายที่ต้องกินต้องอยู่เป็นภาระหนักเพิ่มเข้ามาอีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันห้านั้นไม่มีนาทีขันทสมาดุขาขันห้าเป็นภาระหนักภาระฮเวปัญจขันธาถึงกระนั้นคนก็ยังยึดถือภาระนิไวภาระห้าโรจปุคโล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 ความกำลังไม่มีเพราะความกำนังทางาาากลามอาศัยกายนี้เกิดขึ้นกายนี้อาดูนหน้าเบื่อหน่ายอย่างนี้ข้อว่าเป็นที่รำพึงถึงของคนมากเพหุ่นสร้างกับตังนั้นอธิบายว่ามนุษย์และสัตว์โลกทั่วไปเกิดมาจากกลามมีกางเป็นแดนเกิดพอรู้ความจิตจึงแล่นไปในแหล่งอันเป็นแดนเกิดของตนทั้งนี้เพราะจิตได้คลุกคลีกับกลามมาหลายร้อยชาติจึงดินรนลงไป เหมือนปลาเกิดในน้ำคุ้นอยู่กับน้ำเมื่อยกขึ้นจากน้ำย่อมพยายามดิ้นรนลงไปหาน้ำวัตถุคือที่ตั้งแห่งกรรมก็คือกายนี้รูปนี้เสียงนี้กลิ่นนี้และรสนี้กายนี้จึงเป็นที่รำพึงถึงของคนมากคือกายของชายเป็นที่รำพึงถึงของหญิงกายของหญิงเป็นที่รำพึงถึงของชายข้อนี้เป็นธรรมดาสากลกัตว์โลกประเภทอื่นๆด้วยตัวผู้กับตัวเมียย่อมดึงดูดกัน ยิ่งประณีตสวยงามมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นที่รำพึงถึงของคนมากเท่านั้นก็ให้เกิดกิเลสคือการมราคะแก่ผู้ใดดูได้เห็นไม่รู้จักจบสิน้นคนเกิดมาสวยจะว่ามีบุญก็มีจะว่ามีกรรมก็ได้คนที่เกิดมาสบายก็คือคนที่ไม่สวยมากนักไม่กิเลสเกินไปคือคนกลางๆเพิ่มความน่ารักเอาที่ความดีเพิ่มความน่ากเกลียดเอาที่ความชั่วคนเกิดมามีการมราคะติดมาด้วยทุกคน ไม่ต้องฝึกต้องสอนก็รู้ใครรู้กำหนัดในเพศตรงกันข้ามนี่แสดงว่าได้เคยคุกครีกับกามาในชาติบนก่อนแล้วด้วยยังมีอะไรในกามจึงมาเกิดในกามาภพนี้อีกอาการที่ใจยังมีอะไราในกามนั้นเรียกกรรมะภพการที่ไปเกิดในกามาภพตามความอะไรตามความอาลัาาาายนั้นเรียกอุปติภพกรรมาภพและอุปติภพจึงสืบเนื่องกันไม่ขาดจากกันได้ มีกรรมพบอยู่ตราบใดอุปาติภพก็มีอยู่ตราบนั้นเหมือนไฟกับความร้อนด้วยเหตุที่บุคคลปรารถนากรรมกรรมต้องอาศัยกายเป็นที่ระบายเป็นที่ก่อให้เกิดความพอใจในกรรมนั้นกายจึงเป็นที่รำพึงถึงของคนมากเปรียบเหมือนคนกระหายน้ำน้ำนั้นบรรจุอยู่ในถังสายตาของผู้กระหายจึงสายหาทางน้าอยู่เ น, นืองๆยิ่งกระหายมากก็ยิ่งซัดสายหามากขึ้นบุคคลผู้ไม่ปรารถนาตาม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 เรื่องนางสริกมานางศริกมาเป็นหญิงนครโสเพณีในเมืองราชคลึกมีรูปงามมากต่อมาได้บรรลุโสดาปติผลเป็นอริยสาวิกาโสดาบันเพราะฟังพระพุทธภาษิตพึงชนะคนโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรนีด้วยการให้และพึงชนะคนพูดหลอแล่ด้วยคําจริงซึ่งพระศาสนาทรงแสดงที่บ้านของนางอุตรา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 เมื่อเพื่อนสหธรรมิกถามถึงอาหารก็พรรณนาคุณแห่งอาหารที่เรือนของนางสริมาให้ฟังว่าประณีตและอร่อยเหลือเกินยิ่งกว่านั้นการได้เห็นนางสริมาเป็นลาบอันประเสริฐการได้เห็นนางดีกว่าได้รับทายทธรรมของนางเสียอีกเพราะนางสวยเหลือเกินหาคนเสมอเหมือนได้ยากเพียงเท่านี้ความเสน่หาได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้รับฟังนั้น ท่านเลยบอกอายุพรษาของตนแก่ภิกษุผู้เล่าเมื่อทราบว่าวันพรุ่งนี้หากตนไปยังวิหารชื่อโน้นก็จะเป็นพระสังฆเถระคือหัวหน้าไปรับอาหารที่บ้านของนางสริมาพระรูปนั้นถือบาตรและกีวรรีบไปยังวิหารนั้นพอรุ่งอรุณก็รีบไปยืนอยู่ในโรงพัดรอภิกษุอื่นๆ อ, อีกเจ็ดรูปบังเอิญในวันวา น, วานเมื่อภิกษุผู้นําข่าวไปเล่าฉันเสร็จแล้วหลีกไปนั่นเอง นางศตรีมาล้มป่วยลงเป็นไข้ปวดศีรษะมากนางจึงเปลื้องอาภรณเข้านอนในห้องแม้วันรุ่งขึ้นเมื่อภิกษุมารับอาหารตอนเช้านางก็ยังไม่ได้สั่งไข้เมื่อหญิงคนใช้บอกว่ามีพระมารับอาหารนางจึงสั่งให้หญิงคนใช้ช่วยจัดแทนเมื่อหญิงคนใช้ถวายยาคูและของควรเคี้ยวอื่นๆแก่ภิกษุจนอิ่มแล้วแด้ถวายอาหารใส่บาตไปจนพอแก่ความต้องการแล้วได้บอกให้นางศรีมาทราบ นางสริมาขอร้องให้ช่วยพยุงนางไปไหว้ภิกษุสงฆ์นางไหว้ภิกษุสงฆ์เหล่านั้นทั้งๆที่ทศีรษะยังสั่นเทิมอยู่ในพิษไข้ภิกษุนั้นได้เห็นนางแล้วคิดว่าเธอป่วยหนักปราศจากการตกแต่งประดับประดาอย่างงามถึงป่านนี้หากไม่ป่วยตกแต่งประดับประดาด้วยอภรร์อันมีคา่าจากสวยงามปานใดขณะนั้นกิเลสคือกามราคะอันเธอสังสมมาหลายแสนปี ได้ฟูขึ้นแล้วมีใจจดจ่อแต่นางศตรีมาเท่านั้นกลับถึงวิหารแล้วก็ไม่เป็นอันชันปิดบาดนอนระลึกถึงแต่ศตรีมาเพื่อนสาหธรรมิเกอ้ออ่านวอลสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฉันเธอยอมอดอาหารเย็นมานั้นนางศตรีมาถึงแก่ความตายเนื่องจากเธอดํารงตําแหน่งนครโสเพณีนครโสภาพนีในสมัยนั้นมีเกียรติเป็นหญิงประดับนครให้งามราคาแพงมาก เข้าถึงได้เฉพาะท่านผู้มีเกียรติและมีเงินมากเท่านั้นและเป็นน้องสาวหมอชีวกแพทย์หลวงพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งมงคตฎรัชจึงทรงส่งข่าวไปกราบทูลพระศาสดา ว, ว่าพระเจ้าค่ะนางสริมาน้องสาวหมอชีวกได้ทําการกิริยาเสียแล้วพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นธรรมเทศนากโกษลคือฉลาดในการแสดงธรรมมีพระพุทธประสงค์จะอาศัยความตายของนางสริมาเป็นหัวข้อแสดงธรรมแก่ภิกษทุทั้งหลาย จึงให้ทูลพระราชาว่าขอให้เก็บศพของนางสริมาไว้ก่อนตามปกติในอินเดียแม้ปัจจุบันนี้ไม่ยมเก็บศพไว้ที่บ้านหรือที่ใดๆเมื่อตายก็นำไปเผาทันทีในวันนั้นดูเหมือนจะเป็นกฎของเทศบาลห้ามเก็บศพไปเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงดูสภาพบ้านเมืองแล้วก็เห็นใจในการที่ต้องเผาทันทีเก็บไว้ในป่าช้าก็ได้ให้มีคนเฝ้าอย่าให้สุนัขหรือกาทาอันตรายแก่ศพได้พระราชาทรงให้กระทาดังนั้น ในวันที่สี่สรีระของนางสริมาขึ้นพองหมูหนอนคลานย้วเยี่ยออกจากปากแผลทั้งเก้าคือทวารเก้าศพน่าเฟะหน้าเอียอะเอียนพระราชาให้ราชบุตรตีกรองร้องป่าวว่าเว้นเด็กเฝ้าเรือนและคนชราแล้วให้ทุกคนไปดูนางสริมาใครไม่ไปจะถูกกลับแตดกะหาปณะนะแหลแล้วได้ส่งพระราชสารไปทูลพระศาสดาว่าขออาราธนาพิสูจ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุข จงไปดูนางศริมานี้ต้องเป็นข้อตกลงระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าพิมพิสารหากพระพุทธเจ้าพาพิสุสงไปดูเองอาจมีเสียงตำหนิ จ, จากมหาชนได้ว่าเป็นพระไม่อยู่อย่างพระเที่ยวดูนั่นดูนี่แต่เมื่อพระเจ้าพิมพิสารมีสารอราตนาไปข้อครหานั้นย่อมไม่มีพระสัสดารับสั่งให้พระเดียงสงคือประกาศให้สงทราบถูกันว่า เราและภิกษุทั้งหลายจากไปดูนางสริมาตามคำเชิญของพระราชาภิกษุหนุ่มผู้หลงไหลในรูปของนางสริมานอนแซวอยู่สี่วันไม่ยอมฉันอาหารเข้าในบาทกบุดวันนั้นพอมีเพื่อนมาบอกว่าพระศาสด า, าจะทรงนำภิกษุสงฆ์ไปดูนางสริมาเพียงเท่านั้นเธอได้รวดพลาดลุกขึ้นจัดแจงล้างบาดพมจีวรรีไปกับภิกษุทั้งหลายณป่าชาพระศาสด า, า, ามีภิกษุแวดล้อม เป็นพุทธบริวารกระทับยืนอยู่ด้านหนึ่งภิกษุณีสงฆ์อีกด้านหนึ่งราชบริษัทและมหาชนทั่วไปอีกด้านหนึ่งนี่ใครมหาบพิษพระศาสดาตรัสถามพอให้ทุกคนหน้าที่นั้นได้ยินนางสริมาพระเจ้าขา่าพระราชาทูลตอบนางสริมาหรือนี่ใช่แน่นอนพระเจ้าขา่าถ้ากระนั้นขอให้พระองค์ใหราชบุตรตีกลองร้องปาว่าใครใหทรัพันกหาพนะจงอาศบนางสริมาไป พระราชาให้ตีก่องร้องเป่าไปทั่วนครไม่มีใครต้องการเลยพระราชาทูลให้พระศาสดาทรงทราบพระพุทธองค์รับสั่งให้ลดราคาลงตามลำดับคือห้าร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยร้อยห้าสิบยี่สิบห้าสิบหนึ่งครึ่งกระหาปณนะหนึ่งบาทหนึ่งมาศหนึ่งกากนิกแต่ไม่มีใครรับซื้อสพของนางเลยในที่สุด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 กายนี้มีความสิ้นและความเสื่อมเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงดูเสียดูอัตภาพอันอาดูนี้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าความตั้งอยู่ยั่งยืนของกายใดไม่มีจงดูกายนั้นอันกรรมทำให้วิจิตแล้วเป็นอาทิมีนยะดังพนานามาแล้วแต่ต้นในการจบเทศนามหาชนได้บรรลุอริยผลมีโสดาปติผลเป็นต้นแม้ภิกษุรูปนั้น ผู้พอใจอย่างยิ่งในรูปของนางสริมาก็ได้บรรลุโสดาปติผล